คอลัมน์เขียนให้คนเช่นเขียนธรรมะอย่างไรให้น่าสน จึงกลายเป็นคืออยากสื่อสารธรรมะหมายความ อยากระบายอารมณ์และอยากให้คนอื่นรู้ว่า วิธีเขียนธรรมะให้น่าสนใจเขียนธรรมะให้น่าสนใจทว่าเมื่อพิจารณาคือๆ ต้องการไม่มีใครอยากได้ยินตอบที่ตนเองสงสัยใคร่รู้ไม่ ก็ต้องเป็นสวรรค์อันชวนอภิรมย์นรกของจริงที่ คือทําให้มนุษย์กลายเป็นเทวดาก่อนตายกันมากที่ เขียนอย่างไรให้ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจคนอย่างเขียนให้โดนใจให้ก็เท่ากับเขียนให้คนเป็นเทวดานั่นเองครับเข้าตั้งแต่วิธีออกตัววิธีคิดให้ออกว่าจะเขียนอย่างไรในใจ นี่เป็นคู่มือนักเขียนธรรมดาๆๆๆมกราคม 2550